เมื่ก่อนที่เราลุกขึ้นเรารู้สึกยังไงหนักใช่ไหมแต่ลุกขึ้นแล้วอะไรเกิดขึ้นคําว่าเบากับหนักหายไปเนี่ยเป็นคุณล่ะคำที่คำเดียวกันคําว่ามันเบากับหนักหายไปเนี่ยเป็นอันเดียวกันหรือกูรันอันเดียวกันเวลาเราก่อนที่จเปิดไฟนะ 1. อะไรหายไปความมืดสองอะไรเกิดขึ้นแสงสว่างสามเกิดอะไรตามองเห็นขนาดทั้งหมดเนี่ยเป็นคนละขนาดหรือขนาดเดียวกันขนาดแห่งความมืดหายไปแสงสว่างปรากฏและตาเห็นคนลกขนาดหรือขนาดเดียวกันคาตอบมห้มเหมือนกันละขนาดเรารูกขึ้น ความหนักหายไปความเบาเกิดขึ้นและความรู้สึกสบายใจเกิดขึ้นเป็นคนละขนะดในขณ <c oughs> ะเดียวกันนาเดียวกันคือว่าการเกิดกัการดับมันขนาดเดียวกันหรือคนละขนะแต่แต่มันไวมากใช่ไหมอันนี้คือที่เรียก ว, ว่าเห็นการเกิดดับถ้าเราใครดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นะคือปัญญาเกิดเรื่อยๆ นี่ปัญญาที่เป็นโลกุตระเนี่ยมันไม่ใช่ไปนั่งนึกนั่งคิดนะแต่เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดทุกทุกขณะที่ที่มันมีนะที่ถ้าเรายืนอย่างนี้ไปนานๆานอะไรจะเกิดขึ้นหนักใช่ั้ยเบาค่อยๆ ห, หายไปสังเกตอย่างนี้แหละการที่เราได้สังเกตอย่างนี้ตามภาษาลูกเสือรู้สึกตัวรู้สึกตัวในขณะสังเกตนะ คือที่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยความรู้สึกตัวที่มันอยู่เหนือนอกเหนือความคิดนอกเหนือขันห้าแต่มันก็อาศัยขันห้าเกิดเนี่ยถ้าจะถามว่าดวงไฟกับแสงสว่างเป็นสิงนนงนงน่งเดียวกันหรือคนละสิ่งคนละสิ่งคนละสิ่งเดียวกันคนละสิ่งแต่เราใช้เราใช้แสงสว่างใช่ไหมเราไม่ได้ใช้ดวงไฟเหมือนกัน เวลาลุกขึ้นความรู้สึกหนักหายไปแต่ความรู้สึกเบาตัความรู้สึกเบานั่นเองคือแสงสว่างแต่ความรู้สึกหนักนั่นเองคือดวงไฟอาศัยซึ่งกันและกันแต่เราอาศัยที่ความเบาแต่มไม่ได้อาศัยร้อนที่ร้อนลนักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นในความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันใกล้ตัวเรามากคือเราดูนะจะ ในวิธีการกรรมฐานที่ท่านนํามาสอนท่านต้องการที่ให้มาใส่ใจตัวรู้สึกตัวนี้ให้เรื่อยๆให้มากๆก็ น, นั่นเด็กที่ใช่กับว่าต่อเนื่องไปลูกโซ่เมื่อความรู้สึกตัวนี้ต่อเนื่องไปลูกโซ่แล้วจิตของเราที่มันวิ่งออกไปมันจะกลับมาเองตัวทุกข์ก็จะลดไปเองซึ่งหลวงพ่อเทียนบอกอมันง่ายขนาด น, นี้แล้วทําไมคุณทาไม่ได้ฟูงเพราะไม่รู้จากความรู้สึกตัว เอาหลองนั่งดูอยู่ด้วยสิบตัวไหมหลวงตาคนหนึ่งที่อยู่ไม่สวดแกทำทุกอย่างนะสละสวนแกรประมาณสี่สิบไรไว้เป็นสำนักให้กับสายวิธีการเคลื่อนไหวนายยมที่กุลไปอยู่แล้วก็แกก็บวช มาก็ถามมาหลวงตาต้องการอะไรผมต้องการพระสุรบาลนาองั้ <c oughs> นนะทำไมต้องการน้อยจังพระสุรบาลวันนั้นเอามาก็ไปไปห้องสวดหลวงตาเป็นไงบ้างพระสุรวันเกิดหรือยังนยังไม่แน่ผมเอามาก็บอกไม่ยากหลวงตาออกมาจากบ้านผมาบวชตอนไปอยู่ที่บ้านแกอยู่ทีท่ที่วัดขนาดนี้ต่างกันไหม แกก็คิดตอนที่อยู่บ้านเนี่ยมีของเครื่องใช้ทุกอย่างครบใช่ไหมใช่ตอนนี้พอหลังจากที่แกถวายที่ให้กับกลุ่มภราวิคุณเนี่ยทางนู้นเ้าก็มาสร้างกุฏิให้อย่างดีหลังหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นกแกเลยเปลี่ยนเสร็จแล้วของใช้ไม่สอยยังเพียบรุกอย่างเลยส่งข้าถวถนะั่วไอ้หน้าเอามาก็บอกที่วัดไห่ส่วนมีสองบรรยากาศนะข้างล่างเป็นวัดข้างบนเป็น เป็นเจดียใช่ไหมที่อามาก็พาพระกึ้นไปอยู่ข้างบนขงตาอยากเป็นพระสดาบวันไม่อยากลองสละนี่สักอาทิตย์หนึ่งขึ้นไปนอนอยู่บนภูเขาไม่ต้องมีอะไรพวกนี้เลยเราจะรู้อ่ะไอ้ผมยังไมากล้าไปผมกลัวป่วยเหมัอนน่ะถ้ากลัวป่วยก็จะไม่ได้พระสดารวันเพราะอะไรสักกัดยัติถิมันไม่มีไม่ลดเลยอ่ะอย่างความรักตั ว, วกลัวตายเยอะเนี่ยเราจะเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างความสบายเล็กเน้อยน้อยมันบงังเรา แล้วก็กลัวกลัวเจ็บ ก, กลัวป่วย ก, ก, กินยาหาหมออะไรไปเรื่อยๆพรพันศาเนี่มาก็เลยพาพระไปเข้าเก็บที่นั่นไปทุกเดือนในช่วงในช่วงปลายเดือนของทุกเดือนมาก็จะไม่รับนิมนต์เขาถ้าไปอยู่ที่นั่นประมาณเจดวันสิบวันเพอบรรยากาศมันดีมากในหะุบเขาแล้วก็มีบรรยากาศเป็นสองลักษณะฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นป่าดิบฝั่งขวามือเลยเป็นป่าแล้งเป็นป่าเต็งหลัง มีครองน้ำาฉะนั้นปีที่แล้วก็เลยพาพาพายโงไปอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งได้อารมณ์ดีเพื่อผลสารนี้ก็เลยเข้าไปจำทีนี้ในการปฏิบัตินี่ถ้ามันมันง่ายนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเป็นเรื่องยากนั่นจะทำยังไงให้มันเข้าใจพระพุทธเจ้าเลยยกเรื่องมักมีองค์แปดขึ้นอันดับแรกเลยว่าสมมาเลยนะ สมัททิธิสมัททิธิแปลว่าเข้าใจเข้าใจให้ถูกอ mm hmm. ะนะถ้าคนไหนเข้าใจถูกแล้วนบพ้นจากผู้ท่องผวงได้มันก็ยมาแปลกใจว่ามักมีองค์แปดถ้ามาสฉลบเฉลิบอยู่อันเดียว่สมัททิธิสมา ธ, ธ, มาธานาสัพพะทุขาปัเ จ, จกูผู้ใดมีความเห็นความเข้าใจถูกต้องแล้วจะพ้นจากความทุกข์และปัญหาทั้งวง เอ๊ไมไม่พูดถึงสมาสตปะสมาสถิสมาถ ส, ถสมาธิใช่ไหมสมาญาณสมาวิบูทไม่พูดถึงเลยพูดถึงเรื่องสมาธิอย่างเดียวอืมก็มารู้อ๋อความเข้าใจถูกถ้าจะถามว่าขณะที่เรายกหนึ่ถามว่าใครเป็นผู้ยกหนี่ยจะตอบได้ทันทีไหมเช่ น, นนะเรายกนะแต่ไม่ใช่มือยกนะ ไม่ใช่ลูกยกไม่ใช่นามยกเนี่ยนี่มันผิดตรงนี้แหละพอเราเป็นผู้ยกมันก็ผิดตั้งแต่แรกมันไม่มีเราเป็นผู้ยกเป็นลูกกับนามใช่ไหมอันเนี้คือเราเนะี่ยมาจากไหนคิดว่าใช่ไหมคิดว่าเราเนี่ยมาจากความคิดใช่ไหมถ้ามันมีไม่มีความคิดมันก็จะไม่มีเราลูก ทุกคนลองเอามือจับแขนด้วยเองดิจับแล้วก็บีบแล้วก็ปล่อยแล้วก็บีบแล้วปล่อยมีกี่ความรู้สึกในขณะบีบปล่อยบ่มีกี่ความรู้สึกความรู้สึกที่หนึ่งคืออะไรบีบรู้สึกหนักใช่ไหม ปล่อยรู้สึกเบาใครเป็นผู้ใครเป็นผู้หนักใครเป็นผู้เบาเราแต่คือลูกกับน้ำใช่ไหมหนักคือเกิดเบาก็คือความเกิดหายไปมันเลยเบาเพราะฉะนั้นความหนักความเบาเกิดขึ้นในขณะปล่อยในขณะวางเพราะปล่อยวางก็จะเบาใช่ไหมแต่ก็จะเอามันก็ กรรมเข้าไปก็จะหนักทีนี้ในการปฏิบัติเนี่ยลักษณะหนักเบาเนี่ยรปรากฏในกายในใจเราตลอดเวลาใช่ไหมดังนะนั้นเวลาจะเข้าใจรูปนามเบื้องต้นเนี่ยให้เห็นอาการตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าระหว่างความรู้สึกหนักเบาเมันเป็นอะไรมันเป็นความรู้สึกหรือว่ามันเป็นเราหรือว่ามันเป็นรูปเป็นนาม หรือว่าเป็นความคิดเนี่ยเราจะเข้าใจถูกไม่ถูกตรงเนี้ยถ้าเห็นว่าหนักเบาเนี่ยเราคิดว่ามันหนักเราคิดว่ามันเบาเมันโดนทั้งสองกระถงเลยนะมีทั้งเราและมีทั้งความคิดอัตตาโตดนเกิดเด็กสกยาธิธิก็เกิดแล้วใช่ไหมแต่รูปมันหนักนาม ร, ร, รู้นะ ให้ให้ทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ไปเรื่อยๆก่อนเวลาแต่ละขนาดเวลามันร้อนมันหนาวมันสบายไม่สบายดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าวันหนึ่งมันจะเกิดคลิกขึ้นมาเองเอ๊ะเราหายไปไหนมันมีแต่ความรู้สึกหนักรู้สึกเบาถ้าหากว่าเราเฝ้าดูแลสังเกตสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันจะสนุกเพราะจิตที่มาอยู่กับความรู้สึก มันจะเบามันจะสบายแล้วมันจะเป็นความสุขแต่ถ้าเมาื่อใดมันลืมรู้สึกนี้ปั๊บมันเข้าไปในความคิดเลยนะเพรูะลุจากความรู้สึกปั๊บมันเข้าไปในความคิดเนะลยเราจะเกิดอะไรหายไปบางอย่างเพราะนั้นผู้ที่ได้ดวงใจ ร, รมหรือว่าเป็นพระโสดาบันคือมาเห็นคุณค่าของความรู้สึกอันนี้แล้วก็เกิดการทะลุทะนองแต่ไม่ใช่ยึดนะเพราะมันสร้างเองได้ไดใช่มมันสร้างได้ตลอดเวลา ความรู้สึกชนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปหาที่ไหนเลยเพียงแต่เป็นไงกลับมารู้จักมันเท่านั้นเองใช่ไหมกลับมารู้จักเพราะจิตมันมาถ้าจิตไม่อยู่ปัจจุบันปักสแสดงว่ามันทิ้งอะไรทิ้งอดีตอนาคตใช่ไหมถ้าไม่มีอดีตอนาคตเนี่ยใจเราจะคิดได้ั้ยคิดไม่ได้อ่าเพราะความคิดเป็นผลพวงของความจาเรื่องอดีตอนาคต ก่อนที่จะเป็นสังขารมันจต้องผ่านตัวสัญญาก่อนใช่ไหมสัญญาสัญญาว่าคิดพอเราไม่ทันความรู้สึกตัวปับ๊บมันพรวดเป็นสังขารเป็นวิญญาณไปเลยนั้นเองพระพุทธเจ้าท่านท่านมาค้นหาวิธีนี่ง่ายๆเลยนะเพราะท่านเสียเวลามาถึห้าหกปีกับการแสวงหาจากลทัทธิหรือสีด่างๆแต่พอท่านมนานั่งพิจารณาเพียงคืนเดียวเนี่ยคลิกเลย แก็ตามดูดูดูไปเื่อๆจิตมันเกิดจากอะไรเข้าไปจนกระทั่งเห็นที่ไปที่มาของจิตทั้งหมดเลยการเห็นที่ไปที่มาของจิตทั้งหมดเ้ารียกว่าภูเพนิวาสานุสติญาอันนี้ภาษาจำราเขานะก่อนที่มันจะไม่มีความรู้สึกตัวเนี้ยมันมาจากไหนสืบสาวเราเรื่องไปเรื่อยๆย้อนขึ้นไปกี่พบกี่ชาติกี่มื่นกี่แสนที่เกิดมาเนี่ยมันมาจากกันไม่รู้จักตัวนี้เท่านั้นเอง พอท่านจับหลักได้กัสาวไปสาวมาสาวไปสจนเห็นโอเห็นตัวที่สองเรียกว่าการเกิดดับโดยจุตูปปตาตญาจุติและอุบัติจุติคือการดับใช่อุบัติคือการเกิดตอนแรกท่านเห็นมันออก่าเป็นความคิดก่อนนะแต่ไม่รู้วความคิดมาจากไหนแต่โดยที่ความความที่อยากจะรู้มันมาจากไหนท่านก็ตามไปดูเรื่อย จากหกโมงเย็นไปถึงห้าทุ่มเกืบเที่ยงคืนตามดูและที่สุดตามดูไปถึงที่สุดมันแตกโปะขึ้นมาเลยอ๋อตรงนี้เองจุดระเบิดคือการเกิดดับพระนเรนเลยจุติและอุบัติท่านบอกว่าพอมาเห็นทีนี friction, Now, varsa, Breathe, ้ท่านเห็นโลกทั้งหมดทั้งปวงเลยนะโลกมันเกิดแค่นี้เองมาจากจุดสองจุดคือการเกิดและการดับนะ เพราะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราได้มาศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พิเศษมากมากจึงไม่อยากจะเสียเวลาไปไปให้ไปใส่ใจเรื่องอื่นนะในที่สุดแล้วที่เราสนใจวนไปเวียนมาเรื่องความสอนของพ่อนั้นอาจารย์นี้เนะี่ยในที่สุดก็มาลงที่เดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันอ้อมันไกลเนาะตรงพ่อเทียนท่านชี้ชี้ไปตรงตรงเลยเอาตรงนี้แหละไม่ต้องเสียเวลาอย่างอื่นแต่เนื่องจากว่าหลายๆคนมีวิบากกรรม มีวิบากกรรมมันมากับความคิดถ้าคน่มีวิบากกรรมน้อยก็จะคิดน้อยคนมีวิบากกรรมมากก็จะคิดมากอดอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องคิดต้งหาเรื่องคิดเพราะมีวิบากนะเราก็ทำไปเรื่อยๆตัดวิบากไปเรื่อยๆเอาความรู้นี่มาตัดตัดตัดังนั้นการทาวิปัสสนาจึงเป็นการตัดวิบากกรรมเก่าใช้กรรมเก่าไปเรื่อยๆ แลวิปัสนาที่เองจะเป็นตัวที่ชำรสะสาสางเรื่องกรรมได้เร็วที่สุดเพราะมันเหมือนกับเราเป็นหนี้เขาเงินจํานวนสักล้านเน่ยแต่เราไปค้าขายลงทุนที่ได้กําไรทีละหลายล้านอ่ะเพราะนั่นหนี้แค่ล้านเดียวเรื่องย่อยมากใช่ไหมนะวันนั้นในการที่เราประกอบกรรมธรรเข็นมาในอดีตมันจะกี่พบกี่ชาติก็ตามถ้าเรามาได้มีโอกาสมาปฏิบัติวิปัสนาเท่านั้นแหละมันเหมือนกับได้มาทํายอดของบุญ ถ้าเป็นการค้าคือเป็นธุรกิจที่มีกําไรสูงมากก็จะเอาตัวนี่ไปชาําระนี่กรรมนี่เวรต่างๆซึ่งบรรพุรุษเราสร้างมาเนี่ยนะอันนั้นเองว่าตัวบุญที่เกิดจากการทําวิปัสสนาจึงเป็นบุญที่สูงสุดสามารถชาระชาระนี่กรรมให้กับตัวเองกับบรรพบุรุษได้อ่ะนะที่เราสร้างกันมานี่แหละพระพุทธเจ้าก็เลยสรรเสริญว่าให้ปฏิบัติวิปัสสนาการให้ทานการรักษาศีลเป็นตัว เส้นทางให้ไถ่มาถึงจุดนี้เท่านั้นแต่พอมาถึงจุดนี้เรากลับไม่ไปสู่วิปัสนาเราไปกับไปไปผ่านสมถะพอไปผ่านสมถนมนนะะนี่บางทีก็หลงนั้นในยุคนี้ถ้าเราไม่ไม่เจอคําสอนของครูบาอาจารย์ท่านเหล่านี้มาเปิดเผยมาแสดงนะเราก็คงจะต้องงมกันไปนี่อีกหลายแต่พวูหลายชาติอ่ะนั้นเมื่อมาพบจุดนี้แล้วมาก็เลยว่า มันเลยให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรจะต้องพูดกันละเรื่องอื่นมันจบละพูดกันได้เรื่องนึงเรื่องเดียวให้กลับมาหาตัวเองมาค้นหาตัวเองให้เจอและการที่จะค้นหาตัวเองให้เจอมีทางเดียวคือต้องกลับมารู้สึกตัวนะไม่มีอย่างอื่นเลยกลับมารู้สึกตัวเพราะว่าตลอดเวลาที่เราจะต้องเป็นว้ยใดเกิดมานับชาติไม่ท้วนอนะ่ะเพราะเราออกไปจากตัวตัวนี้อ่าไปออก ไปจับตัวกายตัวใจนี่ท่านเรียกว่าอาวิชชาใช่ั้มอวิชชาเป็นตัวต้นคือตัวไม่รู้จักตัวไม่รู้เท่าทันในเรื่องนี้พอกลับมารู้เท่าทันเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยก็จับสาวหารากหารูหาที่ไปที่มาของมันได้ไง่ายขึ้นนะจึงไม่ต้องลังเลเลยถ้าหากเรารู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะรู้สึกรักและทนุถนอมในการที่จะมาจับความรู้สึกตัว เล่นเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทําจริงทําจังอะไรหรอกแต่ว่าทําไม่หยุดภาษาเขาเรียกว่าอะไรกัดไม่ปล่อยะทําไปเรื่อยๆจะใครจะอาพาปฏิบัติเมื่อปฏิบัเราทําของเราไปเรื่อยๆเก็บสั่งสมไปเรื่อย ๆ, ๆืๆแล้วชีวิตมันค่อยเปลี่ยนทีละนิด ๆ, ๆท่านเหมือนกับเราเรายกหินก้อนใหญ่ๆเนีถ้าสมมุติว่าเรามาเจริญสติครั้งนี้เนี่ยเหมือนเราได้สอด ไม้ขานงัดใต้ไต้หินละนี้ถ้าหากว่าเราประคองไปเรื่อยเรางัดไม่ปล่อยเปลี่ยนไม้เขาว่าทำอะไรก็จับความรู้สึกตัวไปเลย่อยๆไอ้นี้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะโตขึ้นแล้ววันหนึ่งมันพลิกไปที่เนี้ยไปคนละข้างเลยเนี่ยนั่นคือคว่าจิตเปลี่ยนเปลี่ยนจากภาวะที่เป็นปุถุชนมาเป็นอริยชนละเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งความเห็นก็จะเปลี่ย น, นความเห็นที่เราเคยเห็นว่าเราเป็นตัวเป็นตนเนี่ย อันนี้จึงเป็นประตูแรกว่าเราจะต้องเปลี่ยนความเห็นว่าจากเราว่าจากตัวตนความคิดว่าเป็นเราเสียก่อนให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเรียกว่าเห็นธรรมว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอาศัยกันอะไกันอย่างสมมุติว่าง่ายๆที่เรามีความรู้สึกตัวได้อาศัยอะไรบ้างอาศัยกองดินใช่ไหมอาศัยกองน้ํา อาศัยกองลมอาศัยกองไฟามาผสมผสานกันได้พอดีพอดีเนี่ยมันก่อให้เกิดอีกสองธาตุเรียกว่าอากาศธาตุกับวิญญาณธาตุใช่ไหมอาศัยกองธาตุทั้งหส่วนเนี่ยมาผสมผสานกันในอัตตาส่วนที่พอดีปับ๊บมันก็เกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้โดยรวมๆเนี่ยเรียกว่าวิญญาณใช่ไหมหมายความว่ามันจะต้ต้องรู้ เรื่องของรูปของเวทนาของสัญญาสักัดวิญญาณที่มันเกิดมาหมายความว่ากลไกตัวรู้เนี่ยมันแยกเป็นหส่วนคือตัวรูปทีนี้รูปที่เป็นสมถะกับรูปเป็นวิปัสสนาก็ต่างกันรูปเป็นสมถะคือรูปของเรียกว่ารูปประธาดดินน้ําลมไฟนี่นะถ้าเราไปเพ่งดินน้ํำลมไฟนี่ก็เรียกว่าเป็นสมถะคือเอารูปเป็นอารมณ์แต่พอเรามาเจริญสติต้องเอารูปที่เป็นความรู้สึก ไม่ใช่รูปประทัดเขาเริ่มรูปประขันรูปประขันมากองของความรู้สึกขณะนี้ความรู้สึกทั้งหมดตั้งแต่ของจุดเท้าเนี่ยความรู้สึกที่เกี่ยวกับรูปเนี่ยก็จะมีแค่สองใช่ไหมคือหนักกับเบาอ่าเย็นกับร้อนสบายไม่สบายเทังนั้นเองมีแค่สองรูปความหนักก่อให้เกิดอะไรความไม่สบายใจใช่ไหมความเบาก่อให้เกิดความสบายใจ ถ้าเราตามรู้ว่าอันนี้มันคือรูปกับนามเท่านั้นให้มันจบอยู่แค่หนักแค่เบาอยู่แค่กายแต่ด้วยการที่เราไม่มีการฝึกฝนในเรื่องของวิปัสสนามาก่อนเราก็ไปคิดว่าความรู้สึกหนักเป็นเราแล้วก็ไปคิดว่าความสบายที่ได้รับเป็นเราเราสบายเราไม่สบาย ทันทีที่คิดว่าเราสบายไม่สบายปั๊บเนี่ยจากรูปที่เป็นในรูปประทานเทือรูปน้ำเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนเป็นรูปที่สองทันทีเรียกว่ารูปอะไรเรียกว่านา ม, มารุภาษาศาสนาเริ่มเข้ามาแล้วนีว่อันนี้ภาษาพระเริ่มเข้ามาแล้วฉันก็เริ่มงงเหมือนกันนิดแต่เราก็จะต้องจดจำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหลักสูตรนะเปหลักสูตรจากรูปนามเนี่ย ถ้าเราสติไม่รู้เท่าทันมันเปลี่ยนเป็นนามรูปทันทีเพราะนา ม, มารูปมันเป็นรูปของอะไรของความคิดอะไรใช่ไหมแต่เรื่องรูปนามเนี่ยไม่มีในปฏิสุบานะเพราะมันนอกเหนือแต่เหตุของทุกเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรูปนามเป็นนามรูปเสียก่อนอวิชชากเกิดสังขารสังขา ร, ารเกิดกาวิญานมิ ญ, ญาณก็เกิดนา ม, มารูปใช่ไหมเพราะฉะนั้นรูปนามเนี่ยไม่ใช่สมุทยัยเป็นธรรมชาติที่เกิดโดยโกฎของไตรละ แต่น้ำมารูปเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติแต่มันเกิดจากผลโพลที่เราไม่รู้จักรูปนามจิตของเราไปสำคัญรูปนามเป็นเราปับ๊บมันก่อให้เกิดเป็นนามารูปคือตัวเราของเราอัตตาตุวตเกิดตรงนั้นเองเราเคำว่าฉันเกิดตรงนั้นเองนะอั น, นั้นเองก็เลยว่ามาอยากจะให้คนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมาศึกษาเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะสติสัมัจัญญะต่างกายสังขารของเขานี่ยังแหลมคมอยู่จะเข้าใจได้ไว ถ้าคนเหล่านี้เข้าใจปั๊บเนี่ยมันโอกาสที่จะต้องไปบอกให้เพื่อนฝูงนะคนต่างๆศึกษาเรื่องนี้มันได้มากเพราะคนจะแล้วคนเกิดมาถ้าไม่รู้เรื่องนี้นะเกิดมาตายเปล่าเปล่านะบางทีสร้างบาปสร้างกรรมไปอีกต่างหากถ้าไปก่อเกิดต่อพบต่อชาติไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้ามารู้เรื่องนี้หมายความว่าโอ้มันโชคดีที่สุดเลยในชีวิตเพราะอะไรเพราะมันจะได้ลดวิบากกำลดภพลดชาติลงให้สั้นลงมา จากที่เราไม่รู้เลยว่ากี่พวกี่ชาติมันเหลือแค่เจ็ดชาติก็ยังดีใช่มอ่าสั้นกว่าน้อยหน่อยเหลือสักสามสี่ชาติสั้นมากกว่านั้นหน่อยเลยสักหนึ่งชาติานี้เ่ยน ะ, นะก็ยังดีอยากที่เราไม่รู้เลยนะฉะนั้นในสมัยครั้งผู้การท่านจึงเอ า, อาพยายามดึงพวกเด็กๆ เ, เนี่ยเข้ามาศึกษาแปดวเก้าสมเนันอายุสิบหัวก็ยังมรรูุธรรมเลยสมัยนั้นนะ สมณีนสังกิตจากสมณีนอธิมุติกะสมณีนลาหุนสมณเนพวกนี้บรรลุธรรมตั้งแต่เป็นรนทั้งนั้นเลยเพราะว่าก็สามารถที่จะช่วยเผยแผ่ช่วยบอกเรื่องนี้ต่อขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะเป็นเวลาสองสามพันปีคนก็นยังจำได้นะดังนั้นการมาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้มาเพื่อไปทาอะไรพิเศษหรือไม่ได้มาบาเพ็ญอะไรพิเศษ แต่มาทำความรู้จักความรู้สึกชนิดที่ว่าเนี่ยให้ชัดอย่าให้มันอย่าให้มันค่อยเขวยพอเรารู้สึกจดจำความรู้สึกระหว่างความรู้สึกตัวกับความรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยความรู้สึกตัวหมายถึงทั้งกายทั้งใจความรู้สึกกายความรู้สึกใจรวมกันเรียกว่าความรู้สึกตัวนะและความรู้สึกตัวตัวนี้ มันก็ได้แก่รูปนามนั่นเองเมื่อใดจับความรู้สึกได้นั้นเราจิตแล้วก็อยู่กับรูปนามนะเราทุกทุกครั้งที่เราทำอะไรเนี่ยถ้าเราตามรู้จับความรู้สึกอยู่เนี่ยรูปนามก็ปรากฏจนกระทั่งว่าทุกครั้งนะที่เราทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามตามรู้สิ่งนั้นไปเรื่อยเรื่อยเราก็เหมือนนึกว่าเราได้ภาวนาอยู่นะแม้ว่าจะทำงาน ทั้งวันไม่มีเวลาหยุดเลยก็ตามก็ถือว่ายังภาวนาอยู่เพราะจิตเราไม่ได้ออกไปสู่วัตถุที่สองที่สามที่4ี่จิตเรายังอยู่กับวัตถุที่หนึ่งเมื่อก่อนเวลาเราจะเกี่ยวข้องจิตเราไปเกี่ยวข้องกับวัตถุที่สองที่สามใชม่เกี่ยวข้องสิ่งนี้แต่พอเรารู้จักรูปนามแล้วจิตของเราจะกลับมาอยู่กับวัตถุที่หนึ่งคือกายกับใจในวิธีการนี้เราสามารถจะเข้าใจว่า วิปัสนาใช้ได้ไม่ได้อย่างน้อยต้องจับความรู้สึกที่อยู่กับตัวให้สัเจ็ดสิบอร์เซ็นตถ้าเกี่ยวข้องสิ่งที่สองที่สาไปแค่ยี่สบสามสิเปอร์เซ็นพอละถ้าหากว่ามันกลับข้างกันไปใส่ใจสิ่งนี้สัเจ็ดสิบเอร์เซ็นหลืออยู่ที่ตัวเท่าไหร่ส0มสิเปอร์เซ็นตรงนี้เสี่ยงละเสี่ยงที่จ ะ, ะเสี่ยงที่จะหลุดเพราะอะไรเพราะอำนาจของความเคยชินมันสูงใช่ไหม พอเราให้แค่สามสิบพอเผลอแป๊บเดียวไปหมดเลยไปอยู่กับในเรื่องที่เกี่ยวข้องข้างนอกหมดเลยเพราะฉะนั้นในวิธีการหลวงพเดนบอกต้องตั้งไว้ที่ก่อนเจ็ดสิบเนียคุณจะล้างด้วยล้างชามถูบ้านกวาดอะไรก็ตามจับตรงนี้ให้ชัดคือเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่อยู่กับวัตถุที่หนึ่งหรือรูปนามเนี่ยตราบใดที่เรายังจับความรู้สึกที่ตัวได้ชัดเจนอารมณ์รูปนามก็ยังต่อเนื่องอยู่อ่าความรู้สึกตัวยังต่อเนื่องอยู่ แต่ว่าการเกี่ยวข้องวัตถุที่หนึ่งที่2ที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยมันเป็นทักษะที่ทุกคนมันชำนาญอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากเพราะทุกคนโดยสัญชตาตญาณเนี่ยมันมีอยู่แล้วว่าเราเคยสัมผัสสัมผั์กับสิ่งนั้นมาฉังนั้นถ้าเราสามารถรักษาความรู้สึกตัวไว้ที่ตัวเองประมาณเจ็สิเอร์ซนเนี่ยทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาก็ยังจเจริญไปเรื่อยๆอยู่ ในคำว่าความรู้สึกตัวมันคอนเทนไว้ทั้งชีวิตอยู่ในตัวมันเสร็จนะแต่เราจะต้องทําอย่างพออกพอใจไม่ใช่ฝืนทําอย่างรักยามอย่างทุนถนอมด้วยความรู้คุณค่าของมันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสูงสุดอย่างเงี้ยนะสมมุติขึ้นมาแล้วเราก็จะทําอะไรรู้สึกต้องเรียกร้องหาเขาอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติก่อนนะตั้งสติให้ดีะ ไว้ดังเสติแล้วชีวิตของเราก็จะเริ่มมีความสุขตั้งแต่วันนั้นเลยนะไม่ต้องรออีกวันข้างหน้านะเมื่อคืนนี้หนูพอฟังรายการมีคนเข้าไปถามรายการว่าเอ๊ปฏิบัติเบาๆสบายๆแบบ น, นี้มันจะไปถึงมรรคผลนิพพานได้ไ้ยท่านเอา้ามรรผลนิพพานไม่ต้องไปถึงทำให้มันเกิดเลยเหมือนกันทำนิพพานขนาด น, นั้นเลย แล้วคุณรู้จักหรือเปล่าว่าผลนิพพานแ<ม>ปลว่าอะไรใช่ไหมแปลว่ามันก็เกิดแล้วก็ดับตรงนั้นดับไปว่านิพพานใช่ไหมนิพพานแปลว่าดับอะอะไรคู่คุณรู้เกิดรู้ดับขนาดนี้นิพพานมัก็ปรากฏแล้วอะแต่ทําให้มันเยอะๆทาให้เป็นนิสัยทําให้มันจนเป็นเนื้อเดียวกับชีวิตเลย<ม>นั่นแหะก็นิพพานไม่ต้องถึงเพราะมันมีอยู่แล้วเมื่อไหร่คุณจะเดินตามหาลมหายใจจนถึงยังไม่เจอหรอกเพราะตัวคุณกับลมหายใจมันเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมอ่า เหมือนกันคุณไม่ต้องไปตามานิพพานเพราะนิพพานอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วเพียงแต่คุณรู้จักและคุณก็ใช้มันเท่านั้นเองใช่ไหมคุณจะทำแล้วก็เรากำลังทาอยู่ด้วยนิพพานคือรู้ตามรู้ความเกิดความดับของร่างกายไปมันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องยากแล้วทีนี้ทีนี้เราบัางจะสงสัยเพราะอะไรเพราะฟังมาหลายครูบาอาจารย์ใช่ไหม ไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะง่ายขนาดนี้นะใช่ไหมไมันเป็นเรื่องง่ายมัน่น่าจะใช่นะสงสัยเลยใช่ไหมมันก็เป็นความผิดหละนะก็ทำไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นเป็นอย่างมากก็คือตัวที่เราเอามาสอนกันมากๆแล้วเราไม่เข้าใจทำไม่ได้สมัยที่หลวงพ่อพุทธทานมาเทศในกรุงเทพใช่ไหมว่าไอพระพุทธพระธรรมพระสง์ เป็นภูเขากันก็ไม่คนเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยโอ้เป็นเรื่องเลยนะเราพูดเรื่องนี้อเป็นภูเขาเนี่ยมาให้คนคือมันมันเกิดไปเข้าใจพระพุทธธรรมแบบสมมุติอ่ะอพระพุทธคือทองคําพระธรรมคือใบลานพระสงฆ์คือลูกหลานชาวบ้านอย่างเงี้ยนะก็ไปพูดแต่ความจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าว่าให้ถืออีกทีก็ศีลสมาธิปัญญาเองใช่ไหมพระพุทธไม่ใช่ทองคําพระพุทธศีลสมาธิปัญญาที่เราสัมผัสได้แต่ละขณะ ขณะขณะ น, นั้นบอกว่าเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปดิพึ่งคือพึ่งความรู้สึกตัวที่กําลังเกิดแต่ละขณะเอาใจมาอยู่กับตัวนี้นั่นคือพึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานในขณะที่เราทําเรารู้ไหมตื่นไห ม, มก็เบิกบานถ้าหากว่ามันง่ายอย่างนี้แล้วไปทําให้มันยากทำไมใช่ไหมสมัยก่อนพนระพุทธเจ้าสอนเรื่องสี่ิบประธาน4สํานักเดียว แต่เดี๋ยวนี้สอนสติปัญสีเป็นร้อยร้อสำนักอ่ะเราเราจะไปรู้ว่าสำนักไหนมันถูกมันผิดนี่ก็ให้เกิดความสับสนใช่ไหมฉันก็สติปัญสีพูดว่าส่วนแล้วอะไรมันสติปะานทีที่แท้จริงเนี่ยมันสับสนในสมัยก่อนร้อยแปดลัทธิร้อยแปดศาสนาสมักแต่ผู้ที่สอนเรื่องสติปะัญสีมีของพูที่ชอบสำนักเดียวใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทั่วประเทศไทยอ้างว่าฉันก็สอนสติปะัญสีเหมือนกันแต่ฉันไปแล้วก็คนละเรื่องเลยทีนี้อันนี้คือความยาก ก็ให้เกิดความสับสนความสงสัยนะดังนั้นเองมาก็เลยหลังจากรู้เข้าใจเรื่องนี้แล้ว เ, เราจะทำไงทำหนึ่งยากนะเป็นเรื่องง่ายเราก็ต้องทําของเราก่อนทำของเราทำไงให้มันง่ายก็จะทําอะไรจะงานหนักงานเบามาอยู่วัดไม่ใช่อยู่กันเฉยๆทำกันทั้งวัน ท, นทนํานู่นทํา น, น, นี่ไปแต่มันก็ได้ได้อยู่กับตัวเองนะมันก็ได้ทั้งงานได้ทั้งการปฏิบัติแล้วก็คนที่ มาศึกษาเรื่องนี้ก็ทําให้คนนั้นมีที่พึ่งอเพราะว่าการปฏิบัติถ้าองค์พ่อเที บ, บว่าถ้าคุณไปนั่งดับตาปฏิบัติธรรมถ้าคนทั้งประเทศมานั่งดับตาปฏิบัติธรรมจะทำห า, ากินยังไงกัน ไ, ไม่ต้องทําอะไรกันเนอะคุณก็ลืมตาทำค่าขายไงมืออะไรคุณก็ว่าไปแต่ให้รู้สึกตัวสักเจ็ดสิเปอร์เซ็นท้า น, นเองถ้าหากว่าคุณไปหลงลืมตัวปั๊บเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นสิเปอร์เซ็อยู่ที่ตัวเนี่ยคุณก็หลุดละ นิพพานก็ถูกบทบังหมายความว่าเราไปอยู่ในการเกิดมากกว่าการดับแต่ถ้าหากว่าอยู่กับตัวเองเนี่ยให้เห็นการเกิดการดับการสุขการทุกข์สบายไม่สบายปรากฏในขณะแต่ละขณะขณะแล้วโดยสัญชตาตญาณมันจะเลือกเอาระหว่างสบายกับไม่สบายคุณจะเลือกอะไรใช่ไหมระหว่างถูกกับผิดคุณจะเลือกอะไรระหว่างสื่อสึกหนักกับเบาคุณจะเลือกโดยสัญชตาตญาณมันเลือกเอง แล้วจิตของเรามันก็จะรู้จักละเกิดการสมดุลในตัวของมันเองทําให้มันพอดีนะเพระนั้นเองในช่วงเจ็ดวันนะ่ะคิดว่าน่าจะต้องเข้าใจได้เรื่องเนี้เราก็จะตอกย้ำเรื่องนี้แหละไม่มีเรื่องอื่นนะจะลุกจะนั่งจะยังให้จิตมันสัมผัสสัมพันธ์นือความรู้สึกตัวชัดๆและอย่าไปคิดว่าความรู้สึกตัวนี่เป็นของเรานะมันเป็นของมีอยู่แล้วแต่ให้เทําความรู้จัก เขาเองเมื่อเรารู้จักแล้วมันก็ใช้ได้ตลอดเลยเพราะมันมีอยู่แล้วแต่ทําไมเราต้องลังเลล่ะพอไปถามอีกอาจารย์หนึ่งนะอาจารย์นี่หลวงพ่อนี่สอนมาว่า อ, อย่างนี้อาจารย์ว่าถูกไหมไม่ใช่มันผิดตํารับ <c oughs> มันผิดพระไตรปิดกไปแล้วที่เรชักโคเคลื่อนแล้ ว, ชลวใช่ไหมพ่อเราก็ยังไม่รู้จักพ่อไปถามมันก็ไปอีกเรื่องใหม่เลยท่านนั้นเองก็ให้มั่นใจในตัวเองให้สัมผัสให้พิสูจน์ด้วยตัวเองว่าเออ ถ้ารู้สึกอย่างนี้แล้วมันยังสบายไหมสบายรู้สึกอย่างนี้แล้วมันคิดมากไหมคิดก็ไม่มากก็จับความรู้สึกแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจากคนที่คิดมากก็เหลือรู้จักคิดรู้จักจัดการกับความคิดแล้วก็รู้จักวางความคิดนะแล้วเรื่องของความอะไรความอยากราคะโทสะโมหะนี่ถ้าไม่มีความคิดเป็นที่ที่เกิดเนี่ยพวกนี้มันจะเกิดได้ไหม เกิดไม่ได้เพราะจาัด ก, การความคิดได้ราค่าโทสะโ ม, มหะเป็นเจัด ก, การได้มจัด ก, การได้เพราะว่ามันมีที่เกิดเมื่อจาัด ก, การราค่าโทสะโ ม, มหะได้ความทุกข์เกิดได้ไหมไม่ได้นางใจนะแต่ความทุกข์ทางกายนี่ไม่เป็นสมุทัยความทุกข์ทางกายเป็นธรรมชาติที่มันมีมาก่อนใช่ไหมพุทธิยา ก, ก็ยังทุกอยู่แต่เราต้องการไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นโดยโดยนามรูปหรือปีเป็นสมุทัย เพราะว่ามันเป็นนามาลูปมันเห็นยากมันรู้ยากขนาดความทุกข์เกิดขึ้นจากรูปนามเนี่ยเราพอตามรู้กันทันบางอย่างก็รู้ไม่ทันนะใช่ไหมเกิด ค, ความรู้สึกไม่สบายทางกายเรารู้ทันทุกทุกที่ไหมก็ไม่ใช่ทุกที่อ่เห็นไหมบางที่เราก็ไม่รู้อแต่ดูร้อยรวมว่ารู้สึกแล้วก็เท่าที่ทนได้ถ้าเมาื่อใดรู้สึกทนไม่ได้เราก็ฝืนทนตรงนั้นเป็นสมุทัยแล้ว เพราะว่าใจอากายมันรับไม่ได้ใจก็จะต้องรับช่วงต่อใจก็หาทางออกใช่ไหมนะเรื่องนี้ค่อยศึกษากันไปเรื่อยๆแล้วทําความเข้าใจไปเรื่อยๆแล้วมันจะง่ายแล้วในที่สุดเราจะรู้สึกรู้สึกชอบรู้สึกรักมันแล้วก็สึกเอออยากจะให้มันเกิดขึ้นเยอะๆนั้นเราก็จะจับความรู้สึกได้มากเข้าเพราะตลอดเวลาการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมัน เกิดมาจากความรู้สึกตัวอยู่แล้วแต่ความรู้สึกตัวที่โดยสันทายานมันเกิดจากความรู้สึกที่เป็นทางกายเลือกเอาเวทนาใช่ไหมทุกคนมีอยู่แล้วการที่เราไปตามรู้เวทนั้คือความรู้สึกกายบ่อยๆโดยเห็นชัดๆที่ไปที่มาของมันความจำได้หมายรู้ในเวทนาหนะักเบาตัวนี้มันจะเกิดเป็นสัญญาตัวใหม่ หมายความว่าไงหมายความว่าเห็นอาการอันเนี้ยเป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่ตัวเราเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เราต้องรู้จักแล้วมันก็มีตลอดเวลาแล้วไปรู้จักมันบ่อยๆการที่เข้าไปรู้จักความรู้สึกนี้บ่อยๆนั่นเองมันเป็นความรู้สึกใหม่ที่เรียกว่าทิละสัญญาเคยได้ยินคำนี้ไหมทิละสัญญาก็เป็นสัญญาความสาคัญที่เห็นได้ต่อเนื่อง เาว่าสัญญาบ้นคงต่อเนื่องคือเห็นต่อไปเรื่อยๆแต่เห็นบ้างลืมบ้างนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นถีแรกสัญญาละแต่คําว่าถีแรกสัญญาว่าเห็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเห็นหนักเห็นเบาเห็นเย็นร้อนอ่อนแข็งคึ่งเห็นสบายไม่สบายตั้งแต่ทับตาอาปากหาใจรับรู้ไปเรื่อยๆต่อไปเลยมันก็จะเปลี่ยนจากสัญญาเป็นสติอ่าจากสัญญาเปี่ยถ้าต่อเนื่องไปยาวๆเราเห็นทั่วๆเป็นจากสัญญาเป็นสติ จากสติเปลี่ยนเป็นสัมปทัญญะแล้วจิตที่มาอยู่กับความรู้สึกอันนี้ไม่งอนแงน่นไม่หวั่นไหวไม่ไปคิดเรื่องอื่นโดยไม่จําเป็นปับ๊บมันเป็นเป็นสมาธิจากตัวเวทนาที่สัมผัสได้เย็นแ้วหนแข็งทึ่งๆนี่นะถ้าไปรู้เรื่อยๆต่อเนื่องรู้หนักรู้เบารู้สบายต่อเนื่องให้ให้เห็นณนะปัจจุบันไปเรื่อยๆมันกลายเป็นสัญญาใหม่ซึ่งดรวรรลกเปียมโนธรรมนะแกพูดอันนี้เป็นสัญญาใหม่แต่สัญญาเก่าหมายความว่ามันรู้แป๊บเดียวมันก็ลืมใช่ไหม ปุ่แปบเดียวก็เปลี่ยนเป็นความมันก็เปลี่ยนเป็นความคิดเลยแต่พอตามรู้ตัวรู้สึกตัวที่เป็นสัญญาคือความรู้สึกเย่อแข้วต า, างกายไปเรื่อยๆเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นตัวรู้ตัวใหม่เรียกว่าสติแปลว่าระลึกรู้และระลึกรู้ที่ขยายวงกว้างออกไปถ้าแตงโมอยูเท้าเรียกว่าสังชัญญาแล้วจิตของเรามาตั้งมัน่นอยู่ความรู้สึกนี้นานเรียกว่าสมาธิใช่ไหมแล้วพอมีอะไรมากระทบปั๊บเนี่ย ความรู้เท่าทันปัญญามันจะเกิดด้วยอัตโนมัติเหมือนกันเราเปิดไฟปั๊บเนี่ยตามันจะเห็นทุกมันด้วยอัตโนมัติเลยใช่ไหมไม่ต้องเสียเวลาเพ่งอะไรเลยนะพอความรู้สึกตัวทวมมันเหมือนแสงสว่างพอมีอะไรกระทบปั๊บเนจิตมันจะรู้สิ่งนั้นโดยอัตโนมัติเหมือนกับเราเปิดไฟตาก็ทําหน้าที่พอมีแสงสว่างแห่งสติปัญญาปั๊บปัญญาทําหน้าที่ของมันเองที่ผมเขียนว่าหนูแม่กับหนูนะมันจะจับปอบกันเองจากนั้นในคอร์สนี้นะมาว่า เราไม่ต้องทาอะไรกันมากมายหนักหนาหรอกแต่ว่าอยากจะให้จับความรู้สึกเบาๆสบายๆแต่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นนอนจนไปหลับจะรู้สึกช่วงไหนมันไม่สบายมันเหน็ดมันเหนื่อยมันเบื่อมันเซ็งแล้วก็ปรับไปแล้วก็ตามดูไปว่ามันอยู่ตรงนี้ไหมต้องหามันดูว่าความรู้สึกเมื่อยเนี่ยมันเที่ยงไหมก็พลิกหามันดูใช่ไหมมองให้ไวรูกเราทำไว้ก่อนทําไปสักพักมันเบื่อ ก็าตามหาตัวเบื่อด้วยตัวเบื่อเป็นตัวแบบไหนคุณสมเกรตเคยเห็นตัวมั <c> ้ย <oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไม่เคยเห็นนีมันแสดงว่ามันไม่มีจริงใช่ไหมมันเป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งที่ที่เราแช่จิตของเรามันนิ่งอยู่เรื่อง น, น, นานเดินไปใช่ไหมเราเรียกสมมติว่าตัวเบื่ออย่างนีง้แล้วนั้นเองมันเป็นปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนันก็ต้องดับแต่เนื่องจากว่าเราไปสําคัญว่ามันอะไร มันเป็นเราใช่ไหมทำมาความเบื่อเป็นเราแต่เราเห็นว่าความเบื่อเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งใช่ไหมเราก็แก้ไขได้อ่าแค่ทิกนโ้นพิกนี้เอามาพจนสร้างจังหวะไปรู้สึกมึนทื่อนะแล้วจับหนวดมันนิ้วเล่นบีบมือเล่นสักพักเขาบอกว่านิ้วนี่มันเป็นที่อยู่ของจุดลมปราณที่ทะลุถึงสมองอใช่ไหมพอมาบีบแค่นิ้วเนี่ยสดชื่นมาทันทีเลยเอาไม่เชียวคุณลองทําดูนั่งไปรู้สึกมันง่วงมันเหงามันเบื่อน่ะคุณจับนิ้วบีบเล่นเสักพักเลย ตาสว่างเลยนะอันนี้คือเทคนิคนั้นแล้วเองเอามาก็เห็นว่าชีวิตทุกคนเนี่ยมันต้องมาถึงจุดนี้ได้นะถ้าหากว่ามันไม่เป็นวิบากกรรมมากเกินไปแต่คนวิบากกรรมมากเกินไปมันก็มันก็จะไม่เกิดศรัทธากับเรื่องนี้นะมันก็จะไม่พยายามแต่เรื่องเนี้ยมันเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระไปสู้ไปหาเงินไม่ได้นะแต่ว่าคุณมีเงินเป็นล้านเป็นร้อยล้านคุณไม่มีความรู้สึกสบายเลยเนะี่ยมีความหมายไหม ไม่มีแต่คุณมีความรู้สึกสบายเป็นสูงมากไม่มีเงินเดีวัว บ, บาทเดียวอะไรเงี้ยก็มีความหมายใช่ไหะชีวิตก็มีความหมายดังนั้นเองก็เราส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อเทนว่าเราศึกษาเพื่อการรู้แต่รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อเงินไม่ได้รู้เพื่อที่จะรู้จากตัวเองรู้เพื่อเงินอันพูดเรื่องนี้ค่อนข้างสะใจทีเดียวเลยดังนั้นก็ เราสมควรที่จะต้องต่อยอดกันให้ติดหนะ้างานนี้นะต่อยอดอะไรต่อยอดจากสมถะเป็นวิปัสนานะแล้วก็ทําให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานอย่าทําให้เป็นเรื่องซีเรียสเครียดเปร็งไม่ไม่ไม่ใช่เป้าหมายของเราทําให้เป็นเรื่องสนุกแล้วทุกอย่างแก้ไขได้นะเพราะว่ามันมันเป็นปฏิยาขงการเกิดและการดับเท่านั้นเองแต่การที่ดูเหมือนเกิดตลอดเวลามันไม่ดับเลยเพราะว่าเราไปแช่มันนะใช่ไหมไปแช่วุออ่นวุ่น หนักหลังหนักหล่แต่งี้ยุขยับมันสักนิดดิอาการมันก็ดับไปนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าตุสีดินน้ Bem, ำโรหิตมันทําหน้าที่ของมันตลอดเวลาหน้าที่ของมันคืออะไรอ น, นิจจ์เปลี่ยนแปลงใช่ไหมสองเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะต้องแปรปรวนอ่าคงที่อยู่ไม่ได้แปรปรวนแล้วมันก็ต้องแตกดับไปก็วเวียนอยู่เงี้ยทีนี้หน้าที่ของเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกัน ถ้าเราไปแช่อย่างใดหนึ่งปั๊บแสดงว่าเราไปฝืนกฎของการเปลี่ยนแปลงทุกต้องเกิดแต่เราก็ต้องปรับตัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล็กน้อยหนึ่งเราก็ปรับการเปลี่ยนแปลงของอนิจจังเนี่ยให้มาเป็นพลังงานของตัวรู้ซะเช่นว่าเรารู้สึกหนักเนี่ยพอเรารู้สึกตัวปั๊บความหนักหายไปมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือหนักหายไปแต่ว่าอีกอันหนึ่งความสําคัญ ความรึกรู้ว่าอะไรเกิดและอะไรดับตัวนั้นเป็นตัวสติสมยะเกิดละปัญญาเกิดละแต่ตลอดเวลาที่การเกิดดับเหล่านี้ถามว่ามันมีในตัวเราก่อนมีตนถ้าเกิดแต่ทำไมเราไม่เห็นนะเพราะเรายังไม่มีดวงตาใช่ไหมณวันนี้ที่เรามาปฏิบัติเรามาต้องการสวงหาดวงตาเพื่อที่จะเห็นสิ่งนี้เท่านั้นเองคือดวงตาใน ก็เห็นว่าก่อนที่เรารู้สึกหนักเนี่ยเราก็ไปดูซะก่อนอย่าเพิ่งพลิกอย่าเพิ่งเปลี่ยนดูให้ชัดแล้วก็ไปปรับดูเราเห็นอาการหนักมันมันคลายไปความเบาปรากฏขึ้นให้จิตของเราเนี่ยได้สัมผัสความรู้สึกอย่างนี้จนมันมันเป็นอะไระมันเป็นความมันเป็นจิตเป็นใจเสีเยเอง่จิตใจเราก็จะลืมความคิดไปเลยนะ ดีไหมลืมความคิดอ่ะเช่อไหมเมื่อไรต้องการใช้มันค่อยเอามันมาใช้เมื่อไรต้องการไม่ต้องการใช้มันก็อย่าไปพิพึ่งคิดมันไม่มีความหมายะไรเลยความคิดพอเรามาอยู่ปัจจุบันปับ๊บถ้าเราจะใช้อะไรชิ้อย่างเราไม่ต้องใช้ความคิดแช่ะไรความรู้คนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้ความรู้เลยนะความรู้กับความคิดต่างกันยังไงคุณวิทยาเพราะวิทยาแปลว่ารู้ ค, คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมความรู้กับความคิดต่างกันยังไงความคิดเกิดโดยอดีตอนาคตใช่ไหมแต่ความรู้เกิดโดยปัจจุบันน่ะเพราะฉนั้นเราใช้ปัจจุบันแล้วตัวปัจจุบันก็ทําให้เกิดแสงสว่างคือปัญญาเราใช้ปัญญาทําเราใช้ปัญญาพูดเราใช้ปัญญาคิดไม่ต้องใช้ความคิดพอเรามีสติปับ๊บมันเปลี่ยนความคิดให้เป็นปัญญาได้เลย แต่พอขาสติปั๊บมันเปลี่ยนเป็นปัญญาให้เป็นความคิดได้เพราะนั้นตัวสติสัมยาจึงเป็นกุญแจที่สําคัญหลพ่อเห็นว่ากุญแจลูกเอกนะถ้ามีสติสัมยาอยู่เปลี่ยนความคิดให้เป็นปัญญาขาสติสัมยาปั๊บปัญญาดีๆเปลี่ยนเป็นความคิดเฉยเลยนะดังนั้นมันก็เป็นวัตถุดิบเดียวกันเพียงแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนมันได้หรือไม่ได้ปลาตัวเดียวกัน ถ้ามันเป็นความคิดมันเป็นป่าดิบถ้ามันเปลี่ยนเป็นปัญญาได้เป็นปลายสุกอ่ะถ้าคุณเวลาทำลายความคิดปัญญาคุณจะเกิดไหอไม่เกิดเพราะปัญญาความคิดเป็นเรื่องเดียวกันมาอยู่ที่ตัวแปลงใช่ไหมคุณต้องหาตัวแปลงไม่ใช่คุณจะไปตัดความคิดนะท่านตัวแปลงคือตัวสติสัมปชัญญะที่เราคอยฝึกเนี่ยให้มันชัดไว้เสมอนะไอ้ตัวแปลงมันก็ตัวแปลงตัวมืดให้เป็นแสงสว่างใช่ไหมในห้องนี้มันไม่ได้หายไปไหนนะ เป็นที่อยู่ขับความมืดสงสว่างแต่ว่าบางครั้งมืดบางสว่างเพราะอยู่ที่ตัวแปลงของมั น, นะดังนั้นเองการแลที่จะเพิ่มกำลังของสติสัมยัจก็คือคอยมาจับความรู้สึกเหล่านี้เห็นความรู้สึกเหล่านี้เกิดอย่างไรดับเราซึ่งมันจะไม่ใช่เรื่องอยากนะเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆแต่ทำไมมันทำให้เป็นเรื่องยากเพราะมันไม่รูนะ้แล้วก็พูดตามความไม่รู้อนะใช่ไหม เริ่มเข้าใจบ้างแล้วเน่ยดังนั้นให้เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปให้รู้สึกว่าความรู้สึกตัวเป็นเรื่องสนุกในการที่จะเรียนรู้สนุกในการนั่งสนุกในการเดินสนุกในการดื่มสนุกในการกินด้วยความรู้สึกตัวนะโดยที่ไม่อย่าไปอยู่กับความคิดถ้าอยู่กับความคิดปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องทันทันทีเป็นเรื่องเขาเรื่องเราเรื่องอดีตอนาคตเรื่องกูเรื่องมือเรื่องได้เรื่องเสียเรื่อง อะไรเมืเ่ยแปรุงไปข้างมันแต่กลับมาความรู้สึกตัวปับ๊บพวกนั้นแกหายแวบเป็นนาทีแต่ว่าเรามาตอกย้ำทําบ่อยบ่อยข้าบ่อยข้ า, ยข า, าจนกระทั่งว่าความรู้สึกกับตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันความรู้สึกกับตัวคิดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่ว่ามันไม่ง่ายตรงที่ว่าเราได้อยู่กับสัญชาตญาณความหลงลืมมาตลอดชีวิตตรงเน้นที่มันยาก เราจะต้องต่อยสู้กับความเคยชินเรียกว่าสัญชาติญาณเนี่ยให้ได้นะก็คอยระลึกบ่อยๆคอยระวัลระวังคอยสำรวมระวังออคอยอาจากความรู้สึกบ่อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับว่าเราจะต้องไปตั้งจิตตั้งใจเพ่งเอาให้มันรู้อย่างโต่เนื่องจริงจังไม่ใช่ขนาดนั้นให้รู้แบบสบายๆรู้แบบผ่อนคลายาจับได้เท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็รู้ให้ชัด ในแต่ละครั้งอย่าไปรู้แบบผิวเผินถ้าคุณจะต้องการอะไรเช่งยงก็ต้องเจตนาในการที่จะจับในการที่จะวางตลอดเวลาเราต่อสู้กับความเคยชินของตัวเองเผอปั๊บมันไปวิบเลยนะไม่ทันตั้งสติใหม่เพราะเนื่องจากที่เราได้ต้องเวียนว่ายได้เกิดมาจนถึงวันนี้เพราะความรู้สึกความเคยชินที่เรียกว่ า, าวิชา เ, เราอยู่กมันมาตลอดเราเกิดเพราะมันด้วย แต่เราก็ทุกข์เพราะมันนั่นแหละถ้าหากว่าเราไม่พบคําสอนของพระสมัยสัพพุทธเจ้าเราก็จะเป็นอย่างเนี้ยบางชาติไปเกิดเป็นสัตว์บางชาติไปเกิดเป็นคนบางชาติไปเกิดเทวดาบางชาติไปเกิดเป็นอินทรปรมงค์บางชาติไปนนเกิเดเ ป, เป็นสัตว์นโลกเวียนอยู่อย่างเนี้ยเราก็ไม่รู้จะออกจากมันได้อย่างไรดังนั้นพอมันมาชีวิตปัิศนาคุณจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ยากให้คุณออกมาจากความคิดและอารมณ์เสียให้มายโยความรู้สึก พอมาอยู่กับความรู้สึกปั๊บเนี่ยความคิดก็ทํางานไม่ได้ละเพราะเนื่องจากความคิดมันเกิดได้เพราะเราลืมตัวลืมปัจจุบันเท่านั้นเองพอลืมปัจจุบันปับ๊บความคิดเกิดเพราะอันดีอนาคตก็มาดังนั้นเรื่องนี้เอาไปตรวจสอบให้ชัดเจนให้แจ้งใจใจตันเองนะว่ามันจริงไหมแล้ว เ, เราทําได้ไหมถ้าหากว่ารู้ว่ามันจริงแต่ทําไม่ได้เนี่เพราะอะไรนะเริ่มจากเรื่องง่ายๆก่อน เริ่สืบสอบสวนตัวเองให้ชัดก่อนอเอ๊ะฉนนั่งก็รู้สึกหนักฉันพลิกไปก็รู้สึกเบามันไม่ใช่เรื่องยากเลยเนาะแต่จะทำไงให้มัดนดูต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ่ะนั่นคือมันยากตัวนั้นเองพอเพเผลอพับไปแล้วใช่ไหมเผลอปับไปละนั่นเราต่อสู้กับสตรูที่มองไม่เห็นคือความเผลอเพราะฉะนั้นทำไงให้เรามองเห็นมันก็คือจะต้องมา กะตุะ s just, <S ะะ you, ะ้นเตือนตัวเองบ่อยๆจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินจะกินจะถ่ายจับไปเรื่อยๆพอนานเข้านั้นเข้ามันเริ่มจับได้ไวแล้วก็เราก็ไม่ใช่ว่าจะมาจับความรู้สึกจะทำํำช้าๆเนื Ты ่อยๆเฉๆเฉยๆไม่ใช่นะหมายความว่าในระยะการฝึกเราฝึกอย่างนั้นก่อนแต่พอนานเข้านั้นเข้ามันจะไวไม่แต่ไวเท่าไหร่ก็รู้สึกได้ชัดนเราต้องการให้มันไวนี่แหละแต่ว่ามันแม่นยำแม่นยําชัดเจนแต่ที่แล้วมาเราเราไวแบบไม่ไม่แม่นยะ ผิดเป้าไปหมดเก่าว่าจะทําวันนี้เหมือนไปทางนี้ใช่เก่าว่าจะทำทางนู้นไปทางนู้นแต่ไงแต่พอเราฝึกฝนแล้วเนี่ยมันก็ไปตรงแนวเลยยิ่งไวเท่าไหร่ยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นสติจริงๆเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าลูกศรรากเดิมมันนะลูกศรเวลาเขียนสคอยสลาลอะไรอย่างี้ยเขว่ายสใช่ไหมรากของคําว่าสติก็มาจากคําว่าสระธาตุสระแปลว่าอะไร แปลว่าแล่นแปลว่าวิ่งใช่ไหมมันมาจากคาว่าสอนแปลว่าธนูสมัยนี้มันไม่ได้ใช้ลูกศรนมันไม่ใช่เลยคุณส้มเกล็ดใช้ลูกปืนมันใช้บุลเลตไม่ใช่ใช้แอโรแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกปืนเนี่ยวิ่งช้าเนี่ยมันจะจับเป้าหมายได้ทันนะไม่ทันมันจะยิงนกยิงคนยิงหนูยิงอะไรก็ตามถ้ามันวิ่งช้าเนี่ยไม่ทันมันจะต้องวิ่งไวที่สุดเพราะฉะนั้น ทำไมท่านจึงเอาคาว่าสติก็รู้สอนเรื่องเดีวยวกันเพราะมันแปลว่าแล่นแปลว่าวิ่งเหมือนกันแต่สติมันแล่นมันวิ่งไปตามอะไรยิงอะไรยิงจิตที่มันคิดให้ทันคิดปั๊บสติต้องวิ่งยิงพุ้อเลยตกทันทีแต่ถ้าสติช้าเนี่ยยิงความคิดทันไหมไม่ทันถูกความคิดยิงเราแล้วนี่ที่นี่เราก็ปวดหัวเล ย, เลยคิดติดปวดหัวเพราะนั้นเราต้องฝึกสติให้ไวที่สุดเพื่ออะไร เพื่อพอมันทำให้คิดปั๊บอดีนะคุณราะสติต้องรู้ทันปั๊บให้ทันพอสติปั๊บยิงพุ่งตกกลางอากาศความคิดดับทันทีเลยนี้เรียกว่าสติแต่เพราะว่าเพราะว่าคําว่าสาระธาตุเนี่ยมันเป็นกฎของภาษาถ้าไปลงตัววิพัฒน์ปัจจัยที่บางตัวเนี่ยมันจะถูกบังคับถ้าไปลงตีปัจจัยเนี่ยไอตัวท้ายธาตุคือรอเรือเนี่ย จะต้องผูกฆาดไปตัวนึงหรือตัวหลักธาตุเดียวคือตัวโสเสือมันก็ตัวสติมันก็ยึดพื้นที่เลยตัวติตัวยนี้นะทั้งธางีุมันไม่ใช่ธาตุนะมันเป็นปัจจัยแต่มันยึดพื้นที่ของอเราเรือเป็นสตินี่แปลว่าแล่นอยู่แต่พอมันไปลงนาปัจจัยนะไอ้ตัวโสล่อเรือตัวนี้เหมือนเดิมเช่นคําว่าสารณะคําว่าสารณะกับสติมาจากราาุเดียวกันสารณะแปลว่าอะไรแปลว่าที่พึ่ง บางคนละเรื่องเลยใช่ไหมแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกพูดทางสารนังข้าฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งผู้เจ้าว่าเป็นที่พึ่งนะนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อใดเรามีสติเรามีที่พึ่งเพราะนั้นเราจะบอกว่าสติคือพอพูดได้ไหมได้เป็นสารณะนี่สติคือพรอทำสติคือพระสงเงี้ยพอจเจริญสติอย่างเดียวเรามีทั้งพอพูดพอทำพระสง์เป็นที่พึ่งเรื่องเดียวกันไหมเรื่องเดียวกันนะ เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากมายนะในวิธีการของพ่อเทียนท่านไม่ให้คิดแต่ท่านให้รู้ถ้าหากว่าเราจะมาเจริญสติแล้วเรายังใช้ความคิดอยู่เนี่ยแสดงว่าคุณยังใช้วัตถุดิบไม่ถูกงานคุณต้องเปลี่ยนความคิดให้เป็นปัญญาให้ได้โดยมีอะไรเป็นตัวแปรสติและสัมมญญาทญฏฐนั้นแสดงว่าถ้าสติสมัมมาทิฏฐมากเท่าไหร่วัตถุดิบคือความคิดของคุณก็ถูกแปลเป็นปัญญาคือแสงสว่าง เล็มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเจริญสติจึง ท, ทำน้อยไม่ได้ต้องทำตลอดเวลานะเมื่อเราเข้าใจเรื่องง่ายๆแคบๆแค่แแนี้ทำไม่ได้ก็ทำไงหมดปัญญาหมดปัญญาที่จะพูดกันท่ฉะนั้นอันนี้เราก็พาขยายความในคำสอนหลวเทียนต่อถึงเรื่องบอกว่าท่านบอกว่าทำอะไรที่ไม่เกิดปัญญาอย่าเสียเวลาทำดูหนังฟังเพลงถ้ามันเกิดปัญญาก็ดูหนังไป ฟังเพลงไปพวกนั้ น, นแต่ถ้าไปนั่งกบบรรมฐานมันไม่เกิดปัญญาก็ไม่ทําไปเสียเวลาแล้วว่านั้นน่ะอะไรคือปัญญาคือหมายความให้รู้เท่าทันอะไรที่กําลังเกิดกําลังดับในตัวเองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกเราคุยกันเรื่องเนี้แล้วก็ลองเอาไปทําดูในแต่ละวันแล้วแต่ละวันอย่าไปให้มาอยู่กับความเบื่อความเซ็งความขี้เกียจไม่เอาเพราะมันเป็นเรื่องแก้ไขได้อะใช่ไหมแล้วคุณไปแช่มันทําไม ดันั้นอย่าไปแชร์มันเสียเวลานะก็เขาอนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ให้มันกระจางสว่างแจ้ในจิตในใจในภายในเจ็ดวันนี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ